กามสวะอาสวะคือกามกามนั่นมีสองอย่างคือกิเลสกามกามคือความใคร่ที่เป็นตัวกิเลสกับวัตถุกามกามคือวัตถุอันหมายถึงพัสดุหรือสิ่งที่น่าใคร ีใครที่ปรารถนาที่พอใจทั้งหลายวัตถุการมการมคือพัสดุดังย่อมเกิดขึ้นจากกิเลสกามการมที่เป็นตัวกิเลสคือความใคร่ที่บังเกิดขึ้นในจิตใจต้องมีกิเลสกามขึ้นก่อนและเมื่อกิเลสกาม ไป ใ, ใครปรารถนาต้องการซึ่งพัสดุหรือสิ่งอันใดพัสดุหรือสิ่งอันนั้นก็ได้ชื่อว่าวัตถุกรรมแต่หากว่าไม่มีความใคร่ในจิตใจหรือว่าความใคร่ในจิตใจไม่มีบังเกิดขึ้นในสิ่งอันใด สิ่งอันนั้นก็ไม่เป็นวัตถุกรามและวัตถุกรามกรมคือวัตถุหรือพัสดุหรือสิ่งที่ใครที่ปรารถนาที่พอใจนั้นก็รวมเข้าในกรามคุณทั้งห้าโดยมากรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยิน กลิ่นที่จมูกได้ทราบรสที่ลิ้นได้ทราบและผลตภาพสิ่งถูกต้องที่กายได้ถูกต้องโดยมากแสดงเอาไว้ห้าและเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากามมาคุณเพราะว่าคนโดยมากนั้นติดในข้อที่เป็นคุณคือข้อที่ น่าพอใจน่ารักใคร่น่าปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรสคุณพภาพสิ่งถูกต้องเหล่านี้มักจะมองไม่เห็นกา ม, มาทินบคือโทษของกามซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนไว้เนืองๆว่ากามทั้งหลาย มีส่วนที่น่าพอใจหรือจะเรียกว่าคุณน้อยแต่ว่ามีอาทีนบคือโทษมากและได้ตัดแสดงจำแนกโทษไว้ต่างๆและแม้จะตัดแสดงโทษของการมไว้ต่างๆแล้วเป็นอันมากก็ยังมีประวัติ แสดงไว้ว่าได้มีภิกษุสมณีบางรูปไม่แลเห็นโทษกล่าวคัดค้านคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าคอที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีโทษนั้นหาได้มีโทษจริงไม่จนถึงเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายพากันติเตียนและกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ก็ได้จัดโอวาทสั่งสอนจนถึงบรร ญ, ญัติเป็นพระวินัยไว้บางข้อเกี่ยวกับเรื่องคัดค้านคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้านี้ข้อที่คัดค้านนั่นข้อหนึ่งก็คือเรื่องกามนี่แหละที่ยังพากันมองเห็นแต่ส่วนที่เป็นกามคุณแล่ว่ากามโทษโทษของการรมนั่น มักจะมองกันไม่เห็นและกามที่เป็นอาสวะหมายถึงกามคือความใคร่ที่เป็นตัวกิเลสซึ่งดองจิตสันดานอยู่ในภายในโดยปกตินั่นทุกคนก็ย่อมไม่รู้สึกในกามที่เป็นอาสวานิของตนที่มีอยู่ เพราะเป็นอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นท่านจึงมีเปรียบเหมือนอย่างตะกอนที่นอนอยู่ก้นตุ่มน้ำในตุ่มก็ดูใสสะอาดในเมื่อตะกอนนั้นนอนอยู่ก้นตุ่มเฉยๆไม่ฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ไม่ขุนเหมือนอย่างว่าเป็นน้ำเพราะฉะนั้น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 ทำจิตให้บริสุทธิ์แต่ว่ายังละอาสวะดังกล่าวนี้ไม่ได้แต่ว่ากดทับอาสวะไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาก็ทำให้รู้สึกเหมือนอย่างว่าไม่มีกิเลสในครั้งพุทธกาลเองพรพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็น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 ตนสิ้นกิเลสหมดแล้วจึงได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อรับพุทธภรรยากรเพราะในครั้งพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงประธานพุทธภรรยากรว่าท่านองค์ใดสิ้นกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นที่รับรองของภิกษุทั้งหลายของพุทธบริษัททั้งหลาย ภิกษุกลุ่มนั่นก็ ไ, ไม่เข้าฝ้าพระพุทธเจา้ากราบทูลถึงการปฏิบัติของตนเพื่อให้ทรงพยากรณ์พระพุทธเจา้าทรงทราบว่ายังไม่สิน้นกิเลส ท, ที่เป็นอาสวะดังกล่าวจึงยังไม่ให้เข้าเฝ้าได้ตรัสสั่งให้ไปในป่าชาผีดิบ ซึ่งในครั้งพุทธาการนั้นภูที่ตายก็ต้องนำเอาทิ้งไว้ในปัาชาผีดิบและสำหรับที่จะให้สับประเรอเป็นภูจัดการเผาต่อไปภิกษุเหล่านั้นก็เดบเข้าไปในปัาชาผีดิบเมื่อได้เห็นศพที่ยังสดชื่นกามที่เป็นกามาสวะก็โผล่ขึ้นมา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 ได้เป็นภูประธานพุทธปรยากรณแก่พระสาวกท่านองค์ดที่สิ้นกิเลสอันหมายถึงสิ้นอาสวะดังกล่าวนี้แล้วก็ตรัสรยากรว่าเป็นผู้เศรษฐกิจแล้วซึ่งก็เป็นที่รับรองของภิกษุทั้งหลายของพุทธบริษัททั้งหลายดังกล่าว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 ภูกรบนับถือเป็นภูพยากรถวายท่านทั้งนั้นจึงได้ปรากฏเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันว่ามีพระอริยะบังเกิดขึ้นที่นั้นบังเกิดขึ้นที่นี่นอยู่ที่นั้นอยู่ที่นี่ตั้งแต่พระอรหันต์ลงมากันหลายองค์หลายท่านจนล้นเป็นภูที่ภูนับถือพยากรถวายท่านทั้งนั้นซึ่งภูพยากร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 โดยความเคารพนับถือว่าเป็นภูปฏิบัตินีปฏิบัติชอบก็ น, นับถือเลยเข้าไปถึงว่าท่านสำเร็จแล้วเรถวายพยากรท่านเป็นนู่นเป็นนี่คือพากันตั้งถวายท่านให้เป็นพระอริยบุคคลท่านต่างๆแต่ตามประวัตินั้นภายหลังพุทธิพานแล้ว แม้ท่านจะเป็นพระอระหันต์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงพยากรเอาไว้แล้วซึ่งมีชีวิตอยู่หลังจากพุทธปริพานดังเช่นพระมหากัสปะเถระพระอนุตเถระก็ไม่ปรากฏประทันพยากรใครแม้ท่านพระอนุ์เถระอิตาม พุทธประวัติแสดงว่าสำสุทธันสำเร็จเป็นพระอาราหาันในราตรีก่อนที่จะถึงวันเริ่มกระทำปฐมสังคายนาหลังจากพุทธบริพา์แล้วก็เป็นที่รับรองกันในหมู่พระอาราหันทั้งหลายเท่านั้นไม่ปรากฏว่าได้มีพระอาราหัน ร, รูปใด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 อาสวะนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญและอาสวะคือกามนี้ก็หมายถึงกามที่เป็นอย่างละเอียดอันมีอยู่ในจิตใจเหมือนอย่างตะกอนที่นอนก้นตุ่มดังกล่าวนั้นซึ่งบุตรชนสามัญชนย่อมมีอยู่ด้วยกันอาจจะกล่าวได้ว่ามีอยู่ตั้งแต่ปฐมมจิตปฐมวิญญาณ ในคันของมารดาคือเกิดมาก็มีอาสวะติดมาด้วยภ า, า, า, าวะสวะอาสวะคือพบก็ได้อธิบายแล้วเริ่มตั้งแต่ความเป็นเราหรือว่าเราเป็นเรามีอันฝังอยู่ดองอยู่ในจิตใจของทุกๆคน เอาวิชาสะวาอาสะวะคือเอาวิชาก็ได้แก่ความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงเป็นต้นดังที่ได้กล่าวอธิบายแล้วเป็นความไม่รู้ที่ตั้งอยู่ในความรู้คือทุกๆุกคนที่เกิดมานี่มีจิตซึ่งเป็นธาดรู้ก็มีตัวความรู้อยู่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 เช้าขึ้นก็มองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเงาขึ้นสูงสูงขึ้นเย็นลงก็อาทิตย์ตกทางทิศตะวันตกก็รู้ว่าอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกอาทิตย์โคจรไปดังนี้และโลกนี้ก็รู้สึกว่าอยู่เฉย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 แต่ความจริงนั้นตรงกันครับดังที่ผู้ศึกษาทราบเป็นอยู่แต่ว่าข้อที่ตรงกันข้ามนี้มองไม่เห็นด้วยตาไม่รู้ด้วยตาแต่ว่ารู้ด้วยความรู้ตามเหตุตามผลเพราะฉะนั้นความรู้ที่เป็นตัววิชาจริงๆนี่แม้ในทางภูมิศาสตร์ของโลกก็ยังไม่ปรากฏทางตาทางหู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 ได้อาศัยความรู้ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางมณะคือใจคือคิดเอาเองกันอยู่ดังนี้เป็นพื้นซึ่งไม่ใช่เป็นความรู้จริงแต่ความรู้จริงนั่นก็ต้องอาศัยตาหูแล้วนี้แหละแต่ต้องมาพินิจพิจารณาที่เรียกว่าดูแล้วก็ต้องมาคิดคิดแล้วก็ต้องมาปฏิบัติมากระทำ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 วิชาที่เป็นอาสวะนี้ก็มีอยู่ดองกิจ ต, ต่สันดานของบุคคลอยู่แม้ในส่วนที่เป็นอนุสัยอีกชื่อหนึ่งราคาอนุสัยราคะก็หมายถึงความติดใจที่เป็นราคะอย่างละเอียดปฏิคานอนุสัยอนุสัยคือปฏิคะความกระทบกระทั่งก็หมายถึงความกระทบกระทั่งอย่างละเอียด อวิชชาอนุสัยอนุสัยคืออวิชชาก็เป็นอวิชชาอย่างละเอียดดังที่กล่าวมาแล้วดัะนั้นเป็นอันว่าสามั ญ, ญชนหรือบุตุชนทั้งหลายย่อมมีอาศวะมีอนุสัยดองจิตสัญดานนอนเนื่องอยู่ในจิตสัญดานมาตั้งแต่ปฐมจิตปฐมวิญญาณในขันของมารดา ติดมากับปฏิสนธิจิตคลอดออกมาเป็นเด็กก็มีอาสวะมีอนุใสยโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อาจันรณภายนยภายนอกจเจริญขึ้นเติบโตขึ้นอาสวะอนุสัยที่ดองจิตสันดานอยู่นี่เมื่อถูกอารมณ์มากระทบเหมือนอย่างตะกอนที่ถูกกวน ก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นกิเลสอย่างกลางคือเป็นนิวอนหรือเป็นประยุฐธธานะกิเลสที่ปล้นจิตทำจิตให้กลัดกล่มบุไวายยก อ, อนุสัยเป็นที่ตั้งราคาอนุัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานคือราคะเมื่อ ถูกกระทบด้วยอารมณ์ทางตาทางหูเป็นต้นคือได้เห็นได้ยินรูปเสียงเป็นต้นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจก็กวนตะกรอนคือราคานุสัยนี่คือตัวราคะที่มีอยู่เป็นต้นเดิมในจิตใจนี้ให้ฟุ้งขึ้นมาทำจิตใจให้บังเกิดความรู้สึก กำนัดยินดีรักใคร่ปรารถนาพอใจต่างๆในรูปในเสียงเป็นต้นก็เป็นนิวรนขึ้นในจิตใจและเมื่อกระทบกับอารมณ์ที่เมตนารักใครปรารถนาพอใจปฏิคานอนุสัยอนุสัยคือปฏิฆะความกระทบกระทั่งซึ่งมีอยู่ในส่วนลึกของจิตใจนี้ก็ฟงขึ้นมาเป็นโธะความโกรธ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 บังเกิดขึ้นในจิตใจจิตใจตัวเองก็มีความรู้สึกว่าตัวมีอยู่มีการมาฉันอยู่มีความหงุดหงิดโกรธแค้งขัดเคืองอยู่มีความง่งดดงองอมวงวุ่นเคลือบเค ล, ลิ้มอยู่มีความเคลื่อบแแปลงมีความฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่มีความเคลื่อบแแปลงสงสัยอยู่แต่ยังไม่แสดงออกไปทางกายทางวาจา ทางใจที่เป็นตัวทวารเป็นกรรมเรื่อนี้กิเลสอย่างกลางนี้เมื่อแรงขึ้นไปอีกก็เป็นกิเลสอย่างละเอียดที่เป็นวีติกมะให้ลวงละเมิดก็ได้แก่ตัวราคะที่เป็นความกำหนัดยินดีหรือเป็นกรรมฉัช น, นั้นหรือเป็นโลภะ ค, ความโลภอยากได้ก็แรงขึ้นเป็นอภิชาโลบเพ่งเล็งเอาสิ่งของของอื่นมาเป็นของตน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 ก็เป็นมโนกรรมไฟอากุศลแลกรรมมรดดังที่ได้แสดงแล้วก็เป็นกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบนี้ปรากฏออกมาทางใจทวารเริ่มตั้งแต่มโนทวารกายทวารวจีทวารเป็นกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมไฟอากุศลทั้งหลายที่คนทั้งหลายได้พากันประกอบกระทำกันอยู่ก็เพราะว่ากิเลสนี้เอง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 ออกไปเรียนราบอยู่ในภายนอกจากตุ่กิเลสในใจของบุคคลก็เป็นเช่นนี้มีอาสวะอนุสัยที่เป็นอย่างละเอียดอยู่และเมื่อกระทบอารมณ์โผฟุ้งขึ้นมาเป็นอย่างกลางเป็นอย่างหยาบ ก, ก็ปรากฏเป็นกายกรรมวจีกรรมโนกรรมที่ประกอบกระทํำกันในทางที่ผิดต่างๆที่พระพุทธเจ้าเรียกว่ากรรมะกิเลสบ้างวิตก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 เมื่อยังมีอาสวะอยู่ก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์แม้จะได้ศีลได้สมาธิหรือได้ป like ัญญาอย่างสามัญที่ยังตัดกิเลสไม่ได้ครอบงำบรรดากิเลสอย่างละอย่างอย่างกลางอย่างอย่างหยาบไว้ได้เมื่อยังอา produit, สวะอยู่ก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์แม้จะได้ศีลได้สมาธิหรือได้ปัญญา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 จึงจะเป็นพระอระหันต์ผู้เศรษกิจในพุทธศาสนาท่านพระสาริบุตรท่านได้แสดงข้ออาสวะนี้เพิ่มจากปฏิจจสมุปบาทในปฏิจจสมุปบาทนั้นที่สุดแค่อวิชชาและท่านพระสารีบุตรก็ยังในแสดงต่อไป ว่าเหตุที่ให้เกิดอวิชชาก็คืออาสะวะเพราะอาสะวะเกิดอวิชชาจึงเกิดแต่ต่อจากนี้ท่านก็ต้องแสดงกลับไปอีกว่าอาสะวะเกิดก็เพราะอาวิชชาคือเพราะอาวิชชาเกิดอาสะวะจึงเกิดก็บนกลับมาหาวิชาอีกนั่นเอง การที่ท่านแสดงอาสวะเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่งนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการแสดงที่เกินเลยอาจารย์คือพระพุทธเจ้าไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ซึ่งสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้นซึ่งมีแสดงว่าทรงได้ยาน ที่ระลึกถึงชาติในขนหลังได้ในปฐมมยามของราตรีที่ตรัสรู้ทรงได้ญาณคือความอย่างรู้ในจุติความเคลื่อนอุปบัติความเข้าถึงพบชาติ น, นั้นของสัตทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมในมัชชิมยามทรงได้อสวรรคยญาณความอย่างรู้ เป็นเหตุสิ้นอาสวะทั้งหลายในปัจจิมยามของราตรีเมื่อตรงได้อาสวยคยานยึงในตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้าและอาสวะค ย, ยานนั่นก็คือความอย่างรู้ในอริยสัจสองสายที่ตรัสแสดงเอาไว้เอง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 เหตุเกิดอาสวะความอย่างรู้ในความดับอาสวะยานความอย่างรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะพระพุทธเจ้าได้จะแสดงไว้เองดังนี้เพราะฉะนั้นท่านพระสารีบุตรจึงได้นําอาสวะมาแสดงต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสนและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป